นายหญิงพวกเราทั้งหมดระอวางใจในราชินีเมยานีเมื่อพระนางยังเป็นสุขสำราญปกติดีอยู่ก็แสดงว่าองค์จักรราชไม่ได้ตกอยู่ในภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นก็อาจจะมีราชภารกกิจบางอย่างที่ทรงจำเป็นโดยไม่อาจให้พวกเราทั้งหลายทราบได้เมื่อเสด็จกลับคืนมาแล้วพวกเราก็จะรู้เองภายหลังแหละว่าที่เสด็จเร้นพระวรากายหายไปไหนนะ่ สเสด็จไปไหนไปเพื่ออะไรพวกเราทุกคนเชื่อแน่ว่าพระองค์ปลอดภัยดีด้วยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นกังวลนี่นายหญิงสั่งปลาตอบมาอย่างไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจใดๆทั้งสิ้นโรงกันข้ามกายอาคัรตุกกาทุกคนในยามนี้เอะประหลาดจริงๆประหลาดมากๆเจ้ะ ดารินครางออกมามองหน้าพักพวกทุกคนเหมือนจะขอความเห็นขณะ น, นี้ทั้งหมดใช้ความคิดอย่างหนักในสิ่งที่ได้รับจากการบอกเล่าจากสังปาเพราะเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันมาก่อนทุกคนย้อนนึกพยายามลําดับภาพไปถึงวันวานที่พบปากกเมยานีเป็นครั้งแรกโดยเอากองทัพไปดักรอรับอยู่ นอกจากสิ่งที่นางแสดงอาการหลีกเลี่ยงไม่ประสงค์จะบอกให้แจ้งชัดว่าจักรราช์ขณะนี้ประทับอยู่ที่ใดแล้วอาการโดยทั่วๆไปของนางก็ดูแจ่มใสร่าเริงเป็นปกติอย่างบริสุทธิ์ใจก็ไม่ได้แสดงอาการวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีสัญญาณใดๆที่จะชี้บ่งให้เป็นข้อหน้าระแวงสงสัย ว่าได้มีการก่อกระบทปฏิวัติหรือยึดอำนาจหรือโค่นล้มราชบัลลังก์หรือว่ามีสิ่งอันน่าจะก่อให้เกิดเป็นภัยใดๆแก่จักรราชทั้งสิ้นแล้วนางก็ยังแสดงให้เห็นว่าปิติโสมนัติขีดสุดที่ได้เห็นการเหยียบย่างมาถึงของฝ่ายอาคาันตุกะต่างแดนซึ่งล้วนเคยมีพระคุณต่อราชวงศ์เทพมาก่อน ถึงพวกแม่ทัพนายกองทั้งหลายอันแสงจะจงรักภักดีต่อจักรราชไม่ว่าจะเป็นสุกรีวิกรมยุทธสถิตหรือพระราหุตที่ได้พบปะศิวนากันมาแล้วเหล่านั้นก็ไม่มีผู้ใดส่อแววให้หินไปในทางร้ายทุกคนยังให้การต้อนรับคณะของเชษฐาอย่างมิตรต่างแดนอันเคยมีความสัมพันธ์กันมาอย่างสนิทแนบเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือดุจเดิม แล้สิ่งที่เมยานีปฏิบัติเป็นการให้การต้อนรับอย่างดีเลิศอยู่ในขณะ น, นี้นับตั้งแต่ได้เหยียบย่างขึ้นสู่ถนนทัศวะนางก็ยังยืนยันอยู่ว่าได้กระทาลงไปภายใต้องค์การประกาศสิทธิของจักรราชทั้งหมดนางเป็นแต่เพียงผู้รับปฏิบัติตามรับสั่งช่วงใช้เท่านั้นในคณะของเทิาขณะนี้ ไม่มีใครกล้าที่จะคิดไปในทางอากุศลเกี่ยวกับ ร, ราชินีเมยานีและขุนพลผู้เท่าอรชุนได้อย่างเด็ดขาดคิดไม่ได้จริงๆก็เลยจักรราชไปอยู่เสียที่ไหนล่ะสิ่งที่จะแสวงหาข่าวได้จากส่างปาอันถือได้ว่าเป็นคนเก่าแก่ของคณะเดินทางทั้งหมดยิ่งจะยืนยัน ในสิ่งที่เมยานีเคยหลีกเลี่ยงที่จะตอบให้เด่นชัดขึ้นเพราะเป็นที่ล่วงรู้กันเป็นการภายในของราชฐานมรกรนครว่ากษัตริย์ก ร, กราธิราชไม่ได้ปรากฏพระองค์ให้ฝ่ายในทั้งหมดได้พบเห็นมาเป็นเวลาสามเดือนเศษแล้ว เ, เพราะฉะนั้นมันก็ย่อมเป็นการแน่นอนสอดคล้องกับสิ่งที่เมยานี ให้คําตอบอันเลี่ยงเลี่ยงหลบหลบอยู่เมื่อทุกคนถามหาตัวของแงซายหรือจักรราษอันเป็นสวามีของนางเองอ่ะถ้าเช่นนั้นภายในวันนี้หรือคืนนี้พวกเราก็คงยังไม่มีโอกาสที่จะได้พบเห็นจักรราษใช่ไหมสางปาดารินกล่าวเหมือนจะรำพึงกับตนเอง มากกว่าที่จะหวังได้คำตอบใดๆจากแพทย์หลวงประจำสำนักเรื่องนี้สางปาก็ไม่อาจจะทราบได้หรอกนายหญิงเงียบกันไปอีกพักใหญ่เชษฐาจิงร่เริ่มสอบความต่อไปนี่สางปาแต่พอจะรู้ข่าวว่าได้มียานอากาศเครื่องบินอะ ของพวกผิวขาวมาตกในเขตแดนนี้มั่งหรือเปล่าสัางปาทําท่าเหมือนจะนึกอะไรออกมาได้ตาเป็นประกายขึ้นในายใหญ่สังปานึกอไรออกได้แล้วละ่ะมีเครื่องบินใหญ่ลำหนึ่งหลงทางก็มาตกอยู่ในมรกตนครเนี่ยจักรราชก็เสด็เอาไปทอดพระเนตรนะ มันตกอยู่ด้านหลังของมหาปราศาสตร์พระอุมาเทวีนอกเมืองน่นก็มีการทํานายแพร่สะพัดออกมาว่าหลงพลัดก็มาตกของเครื่องบินลํานั้นจะเป็นเหตุให้พรานใหญ่ระพินหวนกลับมาที่นี่อีกครั้งเรื่องนี้ชาวมรกรกรรู้กันโดยทั่วนหน้าและหลังจากนั้นไม่นานราชินีเมยา น, นีก็ขึ้นเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินโดยองค์จักรราชไม่ปรากฏพระองค์ ให้ข้าราชบริพารใกล้ชิดผู้ใดได้เห็นอีกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอนุชาผู้นั่งใครครวนหนักอยู่ดีดนิ้วขึ้นโดยแรงถ้างั้นจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมพี่ใหญ่เมยานี้เองก็ดูเหมือนจะแย้มแย้มให้เราทราบมาบ้างแล้วว่าภายหลังจากเครื่องมาตกที่นี่ ยักกระราชก็เพียนปฏิบัติกิจอะไรชนิดหนึง่งซึ่งหล่อนก็ยังไม่บอกกับเราแน่นอนว่ามันเป็นอะไรแต่ก็บอกว่าเพื่อหาทางเหนี่ยวรั้งชักจูงทั้งฝ่ายระพินและก็ฝ่ายเราให้มุ่งหน้ามาที่นี่อีกครั้งให้ได้ผมคิดว่าเงษัยอาจจะไปซุ่มตัวเงียบๆ เ, เพียนปฏิบัติอะไรสักอย่างนึงเป็นต้นว่า อดีตพรานชดหยุดไว้เพียงแค่นั้นเพราะเขาเองก็ไม่ทราบว่าจะสรรหาถ้อยคำจำกัดความยังไงออกมาพูดให้มันถูกเชอถารีตาลงแล้วกล่าวต่อประโยคของน้องชายมาว่ากลางเธอหมายถึงบำเพ็ญศีลเพื่อให้เกิดฌานสมาธิสร้างเป็นอำนาจพลังจิตตานุภาพขึ้นเพื่อส่งพลังจิตนั้น ไปนโน้มน้าวชักจูงทั้งฝ่ายระพินและฝ่ายเราให้เดินทางมาที่นี่อย่างนั้นใช่ไหมนั่นสินั่นสิพี่ใหญ่จะเป็นไปได้ไหมครับเพราะแงซายเองก็เป็นคนมีจิตตานุภาพสูงเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังเป็นสิทธิ์ของมหารฤาษีกลทัญญะแล้วก็ตลอดเวลาที่เขาอยู่มรกฎนครนี่เราก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะได้ฝึก ทางศาสตร์ลี้ลับต่างๆเพิ่มเติมขึ้นจนก้าวไกลไปถึงไหนมั่งแล้วเงาซายนะไม่ใช่คนปกติธรรมดาทั่วๆไปแต่เขามีพื้นฐานเดิมทางภูมิกำเนิดของเขาอยู่ก่อนแล้วการที่เขาเร้นตัวหายไปจากภารกิจประจำวันในระหว่างนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาต้องการหาความวิวเวกหาความสงบแล้วก็ชำระจิตตลอดจนร่างกายให้บริสุทธิ์นั่นเอง ก็อย่างที่พี่ใหญ่เรียกว่าบําเพ็ญสีนั่นแหละดารินวราริศลอบถอนใจออกมาอย่างโล่งอกบัดนี้หล่อนระหนักแล้วว่าพี่ชายของหล่อนทั้งสองคนไม่ได้งโง่ไปกว่าหล่อนเลยเพราะในที่สุดก็สามารถวิเคราะห์เหตุหาข้อมูลออกมาได้ตรงกับสิ่งที่หล่อนอยังรู้มาก่อนแล้ว โดยไม่จําเป็นที่หล่อนจะต้องเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นมาก่อนใดๆทั้งสิ้นอืมมันก็น่าคิดอยู่นะแล้วก็เป็นไปได้มากทีเดียวตามที่แกว่านะกลางชา ย, ยันเริ่มมีความเห็นพ้องมาด้วยอีกคนหนึ่งเออแล้วน้อยล่ะมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้พี่ชายใหญ่หันมาสอบความคิดเห็นน้องสาวบาง ดารินเก็บซ่อนความรู้สึกทุกอย่างไว้ภายใต้สีหน้าวางเฉยัตรนี้หล่อนรู้สึกปลอดโปรง่งเบาใจขึ้นมามากแล้วในเรื่องที่ว่าแง้ทา ย, ายหายไปไหนมันก็ยังงงๆอยู่ยังคิดอะไรไม่ออกอยู่ล่ะค่ะพี่ใหญ่เพียงแต่สรุปได้เดี๋ยวนี้แล้วว่าเมื่อเรามาถึงกลางราชฐานของมรกรกนครแล้วเช่นนี้ เราพบว่าข้อที่หนึ่งแงซายได้อันตราฐานหายไปอย่างลึกลับหรือปล่อยให้มียานีว่าราชการแผ่นดินแทนแล้วก็ข้อที่สองยังไม่ปรากฏว่ารพินได้มาถึงมรกรนครนี่เรื่องนี้อะนะพี่คิดว่าคำตอบมันคงจะเฉลยตัวออกมาในไม่นานนี่แหละก็เพราะระพินยังมาไม่ถึงมรกรนครนะ่ะสิ เงซ า, ายถึงยังไม่อาจจะละจากสิ่งที่เขากําลังเพียนปฏิบัติบำเพ็ญอยู่เพื่อออกมาพบกับฝ่ายเราได้เขาอาจจะกําลังเพ่งพลังจิตเพื่อเปิดทางให้แก่ฝ่ายของเราพินอยู่ในขณะนี้ก็ได้ภายหลังจากที่ได้เพ่งจนเกิดความสำเร็จทางฝ่ายเราได้แล้วพี่ใหญ่คิดอย่างนั้นน่ยคะดารินย้อนถามมาด้วยน้ำเสียงปกติ ซ่อนรอยยิรอยยิ้มไว้อย่างมิชิดอืมพี่คิดอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกจะมั่นใจเอากมากๆเลยนะน้อยแล้วเงยสายหลบไปบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ที่ไหนเลยเนี่ยเมียนีต้องรู้ดีแต่ไม่ยอมบอกกับเราในขณะ น, นี้อาจจะเป็นไปได้ล่ะที่เงยสายสั่งห้ามไว้ไม่ให้บอกเพราะเกรงว่าพวกเราจะเข้าไปรบกวนทำลายสมาธิก็ซะก่อน ความกระหายที่จะได้พบจนกว่าเขาจะชักนำให้รับพินมาถึงที่นี่โดยปลอดภัยแน่นอนแล้วนั่นแหละเงาไซถึงจะปรากฏตัวออกมาอืมมันน่าจะชัดเจนแจ่มใสที่สุดแล้วในการที่แกพิจารณาแบบนี้เชี่ย t า a แกมีเหตุผลมากทีเดียวเชยันร้องออกมาด้วยเสียงหนักๆเออก็ถ้าอย่างนั้นเราก็อย่าเพิ่งเดือดร้อนวุ่นวายอะไรไปก่อนนี่ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะแล้วก็พักตามสบายอย่างสงบในปร า, าสาท ร, รับรองนี่ไปก่อนค่อยๆใช้ความสังเกตพิจารณาไปอีกสักวันสองวันแล้วก็รอดูเหตุการณ์เชฐถาเป็นคนสรุปความเห็นให้แก่พักพวกทุกคนชยันนั้นมองสบตาดารินและเอามือลูบคางช้าๆเงียบเฉยอยู่ ลักษณะของเขาเหมือนอยากจะพูดอะไรออกมาอีกแต่ไม่ต้องการจะให้ส่างปาซึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นได้ยินด้วยเพราะในดินแดนมรดกคนครแห่งนี้ก็เป็นที่ล่วงรู้เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรติดต่อกันก็ย่อมสามารถจะรับรู้รับฟังเข้าใจกันได้ทั้งสิ่งจึงไม่กล้าเอ่ยคำออกมาดารินนั้นไม่มีข้อคลางแคลงใจใดๆอีกเลย หล่อนจึงไม่ได้สนใจอะไรกระสายตาที่ส่งกระแสความคิดของเพื่อนชายส่วนอนุชานั้น <c oughs> <c oughs> นั่งห่างจากสางปลาไปทางฝั่งขวามือและอยู่ใกล้ชิดกหนานอินบัดนี้คนทั้งคู่ซุบซิบอะไรกันอยู่ครู่หนึ่งอย่างเบาที่สุดแล้วอดีตพรานชดก็ควักไลเตอร์ออกมาเคาะเบาๆเป็นจังหวะลงกับพื้นแท่นหินอ่อน โดยทั่วทั่วไปแล้วก็ไม่น่าจะเป็นที่สงสัยอะไรนอกจากจะเป็นการเคาะเล่นๆของเขาแต่ถท้ที่จริงมันเป็นสัญญาณรหัสแบบมอสข้อความถามไปทางเชษถาว่าแน่ใจไหมว่าสองคนพ่อลูกมียานีกับผู้เท่าอารชุนจะไม่ได้ทำการปฏิวัติจักรราชและขณะนี้จักรราชอาจจะถูกจับกุ้มคุมขังหรือเสียชีวิตไปแล้ว และสังปาก็ได้กลายเป็นคนของเมยณีไปใชแล้วมาร่วมมือหลอกลวงปิดบังเราเชื่ทางเงี้ยวหูจับฟังเสียงเคาะนั้นพอเรียงประโยคได้ก็ใช้นิ้วเคาะโต้ต่อไปในขณะที่ปาก็พูดคุยกับสางปาไปในเรื่องอื่นๆคนพบพิรุษอะไรในลักษณะท่าทีของสังปาเหรอไม่พบพิรุษหรอก แต่อดระแวงไม่ได้ขณะนี้เราไม่มีอะไรจะทำได้ดีไปกว่าที่บอกแล้วนี่ถ้าระแวงก็อย่าประมาทคืนนี้ให้นอนรวมกันทั้งหมดห้ามแยกและปืนก็ต้องพร้อมใกล้ตัวแต่คิดว่าจะไม่มีอะไรในทางร้ายใช้ยันจับสัญญาณเคาะโต้ตอบระหว่างเชตถาและอนุชาได้และเข้าใจตลอดจิงพยักหน้าลงนิดนึง กับเพื่อนทั้งสองอย่างอย่างยทราบในข้อสัญญานัดแนะ่สำหรับดารินไม่อาจจะเข้าใจได้ว่าทั้งสามชายกําลังติดต่อส่งข่าวอะไรกันอยู่เพราะไม่ได้เรียนในด้านการสื่อสารชนิดนี้มาและหล่อนก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ่งคงชวนสางปลาสนทนาซักถามถึงชีวิตความเป็นไปทางด้านส่วนตัวของสางปาเองนับตั้งแต่จากกันในครั้งนั้นอย่างสนุกสนานร่าเริงเป็นปกติ จวบกระทั่งพลบคําภายในปราสาทที่พักสว่างเรืองรองไปได้ดวงประทีปชวาลาและโภชนาหารมือเย็นก็ถูกจัดลำเลียงเข้ามาอีกครั้งพร้อมทั้งมโหรีดุริยางขับกล่อมก็ยังไม่ปรากฏวี่แววว่าจาั ก, กราธิราชผู้ครองแผ่นดินมรกรนครหรือแม้แต่ราชินีเมยานีจะเสด็จมาปรากฏพระวรกายให้กลุ่มอคันตุ ก, กะได้พบเห็นอย่างทองพระโร์ ซึ่งจัดเตรียมเป็นห้องอาหารขนาดใหญ่อันเพียบพร้อมไปด้วยสปปรัพสิ่งที่อำนวยความสุขความสมบูรณ์เยื่องการต้อนรับแขกเมืองอันสูงไปด้วยเกียรติยศนั้นคงมีก็แต่สั่งปาผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายเจ้าภาพอยู่ตามเดิมพร้อมด้วยเหล่าสาวสันกำนันในและชาวพนักงานทั้งหลายและก่อนที่ท่านคณะทั้งหมดจะออกจากห้องพักผ่อน อันจัดไว้ให้อย่างหรูหราวิจิตกรการตาดุดเดียวกับห้องประทับของรา ช, ชวงศ์ชั้นสูงสุกรีกะทะหารหมู่หนึ่งก็เป็นผู้อัญเชิญพระสวณีจากราชินีเมญานีมาอย่างเชิฐถาว่าขออภัยที่ไม่อาจจะมาร่วมในอาหารมื้อเย็นกับเหล่าท่านทั้งหลายได้ขอให้ท่านได้รับอาหารกันในหมู่คณะตามลำพังไปก่อน และพักผ่อนให้สบายตลอดทั้งราตรีอรุณรุ่งพรุ่งนี้เราเมญานีจะมาคาราวะเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งข่าวดีสำหรับพวกท่านทั้งหลายเชิดฐายิ้มน้อยๆพยักหน้ารับทราบอย่างสงบแล้วถามว่าสุกรี ขณะนี้พวกเราทั้งหลายอยู่ในฐานาะเฉลยหรือเปล่าเนี่ยรอยยิ้มผ่านไปในแววตาของแม่ทัพหนุ่มอดีตพลพักกู้แผ่นดินในครั้งกระนั้นนายท่านนี่มีอะไรที่นายท่านต้องระแวงสงสัยถึงกระถาออกมาอย่างนี้พวกท่านทุกคนเปรียบเสมือนพระญาติอันสนิทของสมเด็จพระเจ้าจั ก, กราที่ราด และพระราชินีเมยานีแม้ว่าเรายังไม่มีโอกาสที่จะเฝ้าพระเจ้ากรุงมรกรกรนครได้ภายในราตรีนี้แต่เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าเราจะได้พบเห็นเข้าเฝ้าราชินีของท่านแทนไปพลางก่อนแต่กลับปรากฏว่าเมื่อได้เสด็จไปรับพวกเรานำมาจนส่งถึงสถานที่นี้แล้ว ก็เสด็จลับหายไปไม่ได้ปรากฏพระองค์ขึ้นมาอีกเลยสุกรีก้มศีรษะลงโค้งคำนับอย่างสุภาพอ่อนน้อมนายใหญ่ครับพระราชนีเมยานีทรงมีพระราชภารกิจอันสำคัญยิ่งเพื่อจัดเตรียมเกี่ยวกับข่าวดีสำหรับพวกท่านทั้งหลายอยู่จึงไม่อาจที่จะปรีกพระองค์มาพบกับพวกท่านได้ จนกว่าจะถึงเวลาพรุ่งนี้และราตรีนี้ขอให้เป็นอีกราตรีหนึ่งของพวกท่านตามลำพังโดยเฉพาะโดยฝ่ายราชสำนักมรกรนครจะมีหน้าที่เฉพาะรับใช้อำนวยความสะดวกสบายให้เท่านั้นกล่าวเพียงนั้นแล้วสุกรีก็ทำความเคารพอีกครั้งแล้วนำทาหารหมู่นั้นผละจากไป เชิฐานมาพระยักษ์ไหลกับพวกพ้องที่พากันยืนสงบอยู่แล้วบอกว่าอ้อรอถึงพรุ่งนี้แล้วคงรู้เรื่องเองว่าอะไรจะเป็นอะไรสำหรับเดี๋ยวนี้ก็กินอาหารกันให้อร่อยอย่างมีพระราชาอย่างพระราชากันอีกมื้อนึงฟังมโหรีดูระบร ร, ราฟ้อนของสาวๆจากชาวมรกตนาครให้เพลินตาเพลินใจเพื่อนคุยของเราก็คือพระนท่านสั่งปา ซึ่งนอกจากจะเป็นหม่อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประจํามรกรกนครแล้วตอนนี้ยังทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือท่านทูตได้รับมอบหมายให้มาคอยเป็นเจ้าภาพรับรองเราตลอดรายการอย่าไปคิดอะไรให้มันควยเขวมากเรื่องไปเลยที่นี่ก็ล้วนแต่มิตรสนิทของเราทั้งนั้นไม่ใช่ดินแดนศัตรูที่ไหน ภายหลังรับประทานอาหารเสร็จจะนั่งดื่มสนทนาฟังดุริยางบาลงขับกล่อมอยู่อีกระยะหนึ่งเชษฐาก็กำหนดสั่งให้ทุกคนเข้านอนรวมกันภายในห้องถุงขนาดใหญ่ปูด้วยพรมหนังแกะอันอ่อนนุ่มภายในยัดไว้ด้วยหญ้าฟรันส่งกลิ่นหอมจะรุงใจโดยไม่ใครแยกออกไปนอนอย่างห้องที่จับไว้เป็นส่วนสัตว์ของแต่ละคนเลยบืนทุกระบอก ได้รับการส ก, กิดเตือนให้นำมาไว้ใกล้ตัวและบัรจุกระสุนพร้อมแม้พวกลูกหาทั้งสิบคนก็ให้มานอนรวมอยู่ในห้องเดียวกันหมดและปฏิเสธการเสนอตัวเข้ารับใช้ใกล้ชิดของนางข้าหลวงกำนันรูปงามทั้งหลายสำหรับคืนแรกอันเต็มไปได้วยเงาแห่งปริศนานี้สางปาณนะถูก น, นั้นอินกะขยิงชักชวนให้มานอนคุยอยู่ด้วย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 แต่ก็ไม่เอ่ยถามให้เป็นปัญหาแล้วชั่วไม่นานทุกคนก็หลับสนิทยกเว้นดารินวราฤทธิ์เพียงคนเดียว1นึยดารินนอนลืมตาพลูงมองขึ้นไปบนเพดานห้องอันกว้างใหญ่ ที่แกะสลักลวดลายกระหนกด้วยศิละปะชั้นสูงนั้นสมองคุ่นคิดพิเคราะห์หนักในพฤติกรรมต่างๆเท่าที่หล่อนได้พบเห็นมาแล้วนับตั้งแต่ได้พบปะกะเมยานีตลอดจนสิ่งที่หล่อนคาดคั้นออกมาได้โดยที่ยังไม่ได้แพร่งแปยให้พวกพี่ๆได้ทราบด้วยเลยเนื่งองจากได้รับปากเมยานีไว้แล้วว่าจะเก็บสงวนไว้เป็นความลับก่อน คบเพลิงและดวงชวาลาตามเสาหินอ่อนตลอดจนผนังรอบด้านยังคงจุดอยู่เรืองรองพอที่จะมองเห็นสปปรรพสิ่งได้รอบด้านในแสงที่นุ่มเย็นตาจะมีก็แต่บางตำแหน่งบางดวงเท่านั้นที่แผดแสงสว่างเจิดจ้าเกินไปอันจะทำให้ไม่เหมาะสำหรับการเข้าสู่นิทรารมของเหล่าอาคันตุก ก, กทั้งหลาย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 ไม่ทราบว่าการเวลาในคืนนี้มันล่วงพานไปเท่าไร่แล้วนับตั้งแต่ทานอาหารเสร็จและสนทนากันอยู่อีกครู่ใหญ่ก่อนที่เชษฐาจะสั่งให้ข้าวพักนอนดารินพยายามยกนาฬิกาข้อมือดูก็พบว่ามันยังคงตายสนิทอยู่เช่นนั้นเข็มวินาทีก็ไม่ได้กระดิกเลยชีย้บอกเวลาเดิมไว้เช่นไร นับตั้งแต่ไ่ทางขึ้นมาถึงส่วนกลางของถนนพระศิวะมันก็ยังบอกเวลาเก่าอยู่ตามเดิมของการเวลาที่ผ่านมาเมื่อบ่ายวันนี้ข้างๆตัวของหล่อนทางด้านขวามือไรเฟิลประจํมมือจุดส0มศูนย์แมกนัมจำไม่ได้ใช่แล้วว่าชายันหรืออนุชาเป็นคนเอามาวางไว้ให้ ส่วนเนื้อหมอนขนาดใหญ่อ่อนนุ่มจะรุงไปด้วยกลิ่นอบรั่มไปหลังของหล่อนก็ถูกนำมากองไว้ตรงนั้นพร้อมสายเข็มขัดปืนสั้นซึ่งแสดงว่าเป็นการเข้าหลับนอนในสภาพที่เตรียมพร้อมเสมอเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาไปเชิญหน้ากับภัยอันตรายอันจะจู่โจมมาได้ทุกขณะ ด, ดารินไม่เข้าใจว่าพวกพี่ๆของหลอนตลอดจนหนานอิน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 แล้วก็ชยันจิงอยู่แม้ทุกคนจะดื่มกินและสนทนากระสางปาผู้มีหน้าที่มาให้การต้อนรับอย่างสนิทสนมเป็นสุขเหมือนจะไม่มีการสงสัยหวาดระแวงใดๆเลยก็ตามแต่เมื่อเวลาจะเข้าพักนอนเหตุใดถึงได้เกณฑ์ให้มานอนรวมกลุ่มกันทั้งหมดทั้งๆที่ก็ได้มีการจัดเตรียมห้องสำราญแสนสุขไว้ให้เฉพาะแต่ละคนแล้ว สํายังมีอาวุธเตรียมพร้อมอยู่ข้างกายเต็มอัตราศึกอย่างนี้ตัวสังปาเองก็ถูกนันอินดึงให้มานอนร่วมอยู่ใกล้ชิดในกลุ่มของลูกหาบด้วยคล้ายๆจะยึดไว้เป็นตัวประกันไกลๆฉะนั้นซึ่งเจ้าสาังปาก็ไม่ได้แสดงทีท่าว่าจะขัดขืนหรือปฏิเสธยังไงอันเป็นไปอย่างรักสนิทบริสุทธิ์ใจจริงตามสภาพเดิมของมันทุกอย่าง อาจเป็นไปได้ในกรณีที่ว่าเมื่อมาถึงใจกลางราชฐานเมือง ม, มรกรครแล้วเช่นนี้และรอคอยกันอยู่จนถึงเวลาอาหารค่ำเงซายหรือจักรราศก็ยังไม่ปรากฏตัวให้เห็นสามเณานีก็พลอยหายไปด้วยคงปล่อยให้คณะทั้งหมดที่มาถึงอยู่กันตามลำพังโดยปล่อยให้สางปาและชาวพนักงานทำหน้าที่คอยให้การต้อนรับเท่านั้น จึงทำให้เกิดความระแวงขึ้นในกลุ่มพี่ๆของหล่อนตามลักษณะของนักต่อสู้ที่ผ่านเหตุร้ายมาแล้วอย่างโชคชนและไม่เคยประมาทต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งสิทธิดารินไม่ตำหนิความรอบคอบรัดกลุมของพี่ๆเหล่านี้แต่ก็อดนึกขันอยู่ในใจไม่ได้เพราะตัวหล่อนเองโดยสัจวาจาที่ให้ไว้กับเมยานีก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรออกไปให้กระจ่าง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 เธอจะอย่างรู้บ้างไหมว่าขณะนี้ดารินได้มาถึงก่อนและมารอดักพบอยู่แล้วใจกลางราชฐานเมือง ม, มรกรกนครแห่งนี้ดารินรำพึงยามนี้เธอพักนอนอยู่บนส่วนไหนของถนนพระศิวะนะอยากรู้อยากเห็นเหลือเกินเธอยังคิดถึงฉันอยู่หรือเปล่า หรือว่าการเวลาได้ทำให้เธอเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะหลับลงได้ยังไงในราตรีนี้เมื่อไรจะสว่างเมื่อไรจะอรุณรุ่งเมื่อไรเธอจะมาถึงเนี่ยดารินวราฤทธน์ถอนใจรันทดเกียสิศักิ์ของหล่อนล่องลอยไปไกล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 รถฝีเท้าเดินไปตามพื้นพผมออกจากบริเวณห้องที่ใช้พักนอนขนาดใหญ่นั้นมาหยุดยืนอยู่ที่ระเบียงหินอ่อนอันมีบันไดทอดลงไปสู่บริเวณอุทยานอันรื่นรมซึ่งบัดนี้แสงจันทร์แรมครึ่งดวงกำลังส่องแสงสลัวลงมาอาบไปทั่วทุกซุ้มทุ่มพุ่มพฤกษ์ มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างชัดพอสมควรในรัศมีที่ไม่ไกลเกินไปนักลมดึกโชยพลิ้วมาเย็นฉ่ำระคนไปด้วยกลิ่นหอมของปวงบุพชาติอันกำจายขจรสุคนทกศิเกษรยามราตรีมารวยรินล้ำยองจันอันลอยเด่นกลางฟ้าใสปราศจาก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 ทำเป็นยืนกอดอกนิ่งเมื่อเหลือไปเห็นร่างในชุดเสื้อคลุมยาวของนางกำนันผู้หนึง่งแฝงกายออกมาจากมุมระเบียงด้านขวามืออันเป็นตำแหน่งที่จัดไว้ให้เป็นห้องเฉพาะตัวของหล่อนเองซึ่งเมื่อก่อนจะออกมารับประธานอาหารเย็นหล่อนยังได้ใช้เป็นห้องพักส่วนตัวและลงไปแช่อยู่ในอ่างน้ําอันหอมจะรุงไปด้วยเครื่องประทินผิว โดยมีนางพนักงานสาวๆร่วมครึ่งโหลแวดล้อมปรนนิบัติอยู่โดยการชายหางตาจับมองดารินเห็นนางผู้นั้นสาวเท้าเคลื่อนตรงเข้ามาอย่างแผ่วเบาลักษณะเต็มไปได้วยความยินดีเหมือนจะคอยโอกาสอยู่แล้วเมื่อเข้ามาถึงก็สุดตัวลงคุกเข่าเอ่ยขึ้นด้วยเสียงกระซิบ นายหญิงเป็นการโชคดีของนิลาโดยแท้เชียวที่นายหญิงออกมายืนอยู่ที่นี่คนเดียวตรงเนี้ดาริงจําได้ในทันทีนางกำนันสาวสวยผู้นั้นก็คืออดีตพนักงานรับใช้ใกล้ชิดสนิทเป็นพิเศษของหล่อนสมัยเมื่อมาพำนักอยู่ในมรกรนครครั้งก่อนนั่นเองและโดยการหวนกลับมาเยือนอีกครั้งในคราวนี้ ทางฝ่ายในของราชฐานคงจะทราบดีจึงได้จัดให้นางผู้นี้มาทำหน้าที่คอยรับใช้ดารินอีกครั้งดารินก็ได้พบปะสนทนากับ น, นิลิยามาก่อนแล้วในทันทีที่ได้พบตอนแรกในห้องอาบน้ำซึ่งนิลิยาเป็นหัวหน้าชาวพนักงานหญิงอยู่โดยได้รับมอบหมายให้คอยรับใช้ดูแลเฉพาะส่วนตัวหล่อนดุดนางข้าหลวงต้นห้อง มีไรเหรอนิลาฉันเห็นเธอรับรับล่อๆ อ, อ, อยู่ในห้องมาครู่ใหญ่แล้วนะหล่อนยิ้มให้พร้อมกระถามเบาๆนิริยารอคอยนายหญิงอยู่ในห้องนอนมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วนึกว่านายหญิงจะกลับเข้าไปนอนแต่ปรากฏว่าพวกของนายหญิงได้ออกมานอนรวมกันอยู่ที่ห้องใหญ่กลางปร า, าสาททั้งหมดก็ได้แต่รีรอหาโอกาสอยู่ ไม่อาจจะเข้าไปปลุกนายหญิงได้เพราะเกรงคนอื่นจะรู้สึกตัวก็พอดีนายหญิงตื่นแเดินออกมาที่นี่ตามลำพังคนเดียวดารินขมวดคิ้วอย่างฉงน่นก้มลงจับต้นแขนของนางกำนันประคองให้ลุกขึ้นยืนก็พวกเราเพิ่งจะมาถึงที่นี่เป็นคืนแรกก็เลยพักรวมกันทั้งหมดในห้องกลางนั่นก่อนเพราะยังตื่นงงต่อสถานที่อยู่ ไงเธอมีธุระอะไรกับฉันเหรอตอนนี้พวกของนายหญิงทุกคนหลับหมดหร้อยังนิรยากระซิบถามโดยเร็วต่อไปขณะที่กวาดตามองอย่างระแวดระวังไปร อ, รอบรอบด้านอันปลอดเปล่าเงียบสงบใช่หลับหมดแล้วเหลือแต่ฉันคนเดียวที่ยังไม่ได้หลับเลยออกมายืนรับลมที่นี่ดูเธอมียการร้อนรนยังไงชอบโกล น, น นิรยานายหญิงคะมีพระราชสาวนีเป็นการรับเฉพาะมาถึงนายหญิงเมื่อครู่นี้เองนางกำนันฉูงามกระซิบกระซาบเบาที่สุดแจ้งว่าให้นิรยาหาโอกาสปลุกแจ้งกับนายหญิงให้ได้ว่าขณะ น, นี้พระราชินีเมญานีทรงปรารถนาที่จะเชิญนายหญิงไปเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์โดยเฉพาะ ที่ศาลาปาริชาตกลางอุทยานขอให้นายหญิงไปให้ได้เดี๋ยวนี้โดยยาให้ใครรู้เห็นทั้งสิน้นให้นิรยาเป็นผู้นำทางนายหญิงไปหญิงสาวกระพริบตาทีเร็วอย่างพิศวงหนะักทวนคำเสียงสูงฮึ um, ราชินีเมยานีน่ะเหรอทรงเชิญให้ฉันไปพบเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ เดี๋ยวนี้ในเวลานี้นางเน้นคำยืนยันแต่ด้วยเสียงแผ่วเบาอยู่เช่นเดิมแล้วก็ให้เธอน่ะเหรอเป็นผู้นำฉันไปเจ้าค่ะไอ้แปลกนี่แปลกอย่างมากที่สุดด้วยดารินอุทานออกมามีรับสั่งมาถึงเธอโดวยวิธีไหนล่ะ ให้ใครนาข่าวนี้มาแจ้งให้กระเทออีกทีหนึ่งล่ะอุสานางพระกำนันใกล้ชิดเบื้องพระบาทที่สุดเป็นผู้อัญเชิญพระราชส า, าวัสดินี้มาสั่งการกานันริยาเมื่อยามสามที่ผ่านมาหยกหยกนี่เองค่ะกําชับเป็ลิลยาหาโอกาสส่งข่าวกับนายหญิงให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วตอนนี้พระกำนันอุสานอยู่ที่ไหนล่ะ หล่อนซักเร็วเปรือตอนนี้นางกลับไปแล้วค่ะรอบเข้ามาพบนิรยาพอสั่งความตามพระสาวนีแล้วก็รีบลากลับไปทันทีค่ะดาริงชั่งใจเมมริมฝีปากสนิทหล่อนไม่อาจจะค้นหารอยพิรุษใดๆออกมาได้จากลักษณะท่าทีของนางผู้นี้ตลอดเวลาที่หล่อนอยู่ในห้องพักส่วนตัว ซึ่งมีนิรยาเป็นหัวหน้าพนักงานคอยให้การปรนิบัติรับใช้อยู่ดารินได้พยายามซักถามชวนคุยเพื่ออยางหางเสียงนางกำนันผู้นี้มาตลอดแต่ก็ไม่อาจจะแสวงหาข่าวคืบหน้าใดใดไ ด, ได้เป็นที่พอใจเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับจักรราษผู้ปกครองแผ่นดินเด็กสาวชาวมรกรนครอันเป็นสตรีของราชสำนักฝ่ายในพวกนี้ ไม่สามารถจะให้ข่าวใดๆที่หล่อนสงสัยและต้องการรู้ได้เลยคงทําหน้าที่รับใช้ประนีบัติอย่างดีที่สุดเท่านั้นลักษณะอาการเป็นเพราะความไม่รู้มากกว่าที่จะเจตนาปกปิดและแตลานางก็ล้วนให้ความสนิทใจแกันหลอนอยู่เหมือนเดิมพี่พร้อมไปด้วยความอ่อนน้อมคาระวะสูงสุดไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงอันทําให้หน่าจะต้องเฉลียวคิดไปในทางร้ายใดๆทั้งสิ่ง นิลยาเราจะไปกันยังตำแหน่งที่หมายแห่งไหนล่ะในที่สุดดารินก็มีอาการเหมือนตัดสินใจได้อย่างเจียบขาดศาลาปาริชาติค่ะอยู่ใจกลางอุทยานแห่งนี้ไม่ห่างจากที่นี่ออกไปมากนักเดินแค่ชั่วครู่เดียวก็ถึงแล้วค่ะนายหญิงศาลาปาริชาติเหละ ศาลาปาริชาตินีเป็นศาลาแท่นซุ้มหินอ่อนกลางวงล้อมของหมู่ต้นปาริชาติสถานพักผ่อนพระอิรยาบถสวยอิทถารมของพระเจ้ากรุงมรากนครสเสด็จมาสดับฟังบทคำลำนำกวีและสังคีสดุรยางยามที่ทรงว่างเว้นจากราชภารกิจในยามดึกสงัดและไม่ได้มีราชพิธีหรือการละเล่นใดๆเช่นยามนี้ศาลาปาริชาติจะเปรียวปลอด ปราศจากผู้คนแต่ก็ปราศจากภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นเช่นกันเพราะเป็นใจกลางอุทยานราชฐานชั้นในสุดไม่ห่างจากมหาปราศาสตรที่ประซับที่ประทรับของจอมกษัตริย์เท่าใดนักเอาละ่ะทางนั้นก็รอเดี๋ยวนะดารินตกต้นแขนนิริยาเบาๆแล้วย่องอย่างปราดเปรยียวย้อนกลับมายังปากทางเข้าห้องโถงกลางปราศาสตร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 ปลดโม่สำรวจกระสุนที่บรรจุอยู่พบว่ามันมีกระสุนครบท่วนแน่นอนในช่องรังเพลิงแต่ละช่องรวมทั้งกระสุนสำรองที่ซอจอยู่รอบเข็มขัดก็ยัดมันเข้าซองไว้ตามเดิมจับแขนนิรยาพร้อมกับพยักหน้าอ่ะไปฉันพร้อมแล้วนิรยาเหลือบมองไปรอบๆด้านอีกครั้งก่อนที่จะกระวีกระวาดเดินนาลงบันไดไปสู่ลานถนน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 ระหว่างพันพฤกษชาติอันงามราวกับอุทยานในสูงสวรรค์นั้นอย่างสงบประสาททุกส่วนตื่นพร้อมต่อสัญญาณอันตรายทุกชนิดถ้าหากว่ามันจะมีมาแต่ก็แน่ใจว่าณมรกฏนครแห่งนี้ทุกตารางนิว้วล้วนเป็นสถานที่อันปลอดภัยสงบสุขของหล่อนเหนือกว่าทุกขนทุกแห่งในโลกนี้แม้แต่ในคฤหาสน์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 ตามที่สั่งความมักกะสุกรีมาก็ได้จึงได้ให้คนรอบไปตามมาเพื่อขอพบเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างสาลาปาริชาติซึ่งหลอนก็กำลังถูกนางกำนันนำทางไปอยู่เดี๋ยวนี้แล้วหนทางเดินอันน่ารื่นรมนั้นเริ่มจะทอดสูงขึ้นสู่เนินอันแวดล้อมไปด้วยต้นทองกวาวที่กำลังออกดอกสะพรั่ง และมีดอกแก่โรยร่วงลงมาประดับพื้นเต็มอยู่ทั่วบริเวณสลับไปกับต้นอโศกและพุ่มไม้ดอกที่ชูช่อดสวัยลานตารับน้ำค้างแสงจันทร์กลิ่นไม้ดอกนาน า, นาพันธ์หอมรวยรื่นมาสัมผัสคาณประสัดระคนไปกับเสียงของเหล่าเรไรลองในอันกะกริงสำสำเนียงประดุดขีตะกล่อมราตรี น้ำค้างพรมพเย็นฉ่ำไปทุกอนุของบรรยากาศชั่วงขณะหนึง่งในเวลาที่ไม่นานต่อมาระหว่างของการเหยียบย่างไตาทางลงไปสู่เนินสูงกลางสวนปาริชาติราวกับจะเดินเข้าไปสู่สุขาวดีแดนสวรรค์นั้นศาลาปาริชาติปรากฏเด่นอยู่ท่ามกลางลำยองแสงแห่งประกายจันทร์ เป็นบริเวณแท่นหินอ่อนลักษณะวงกลมขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยเสาหินรั ง, งานมะึือมาสลักลวดลายยืนต้นเรียงรายอยู่โดยรอบมีเหล่ารุกขลดาชาตเกาะเกี่ยวรัดพันอยู่กับเสาใหญ่เหล่านั้นออกช่อดอกดวงอยู่พราวสพรัง่งบนแท่นกว้างนั้น ระดับไปด้วยกอไม้ดอกที่ปลูกระดับไปทั่วบริเวณเป็นแท่นที่เบื้องบนโลกว่างเปล่านอกจากซุ้มระยะของไม้ประเภทเครือเถาที่เกาะพันเชื่อมโยงอยู่ในระหว่างเสาต่อเสาดุดม่านระดับเท่านั้นแสงเดือนจึงสาดส่องจากท้องฟ้าเบื้องบนลงมาทำให้มองเห็นอะไรต่ออะไรได้เป็นเงาราง มีบันไดหลายขั้นทอดขึ้นไปสู่ลานเสาหินตำแหน่งนั้นรอบด้านในลักษณะฐานล้อมรอบแท่นวงกลมระยะห่างออกไปเพียงไม่เกินสามสิบเมตรเท่านั้นที่นิรยาเดินเลาะลัดมูหินประดับมาประจันหน้ากับจุดหมายปลายทางแห่งนี้อย่างกระตันหันแล้วนางก็ได้หยุดชะงักพร้อมกับชี้มือไปยังตำแน่งนั้น เหมือนจะบ่งบอกเป้าหมายดารินเองขณะนี้ก็หยุดยืนนิ่งลงชั่วขณะมองผ่านแสงเดือนเข้าไปยังซุ้มแท่นหินกลางเนินด้วยม่านตาที่พยายามเพ่งพินิจในความสลัวรางของจันร์ครึ่งดวงดารินพอจะมองเห็นพินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้เสาหินอ่อนกลางลานตำแหน่งหนึ่ง และมีแท่นหินยกเหนือระดับพื้นขึ้นมาอีกเล็กน้อยลักษณะเหมือนแท่นศิลาอาจซึ่งมีรูปสลักของนาคราชเจ็ดเศียนแผ่อยู่ทางด้านปลายสุดด้านหนึ่งอันน่าจะเป็นที่ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถของมหากษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินนอกจากนั้นก็เห็นแต่เพียงเงาตะคุ่มของสัพพสิงที่ตั้งประดับอยู่บนบริเวณซุ้มศาลาโล่งนั้น เงียบสงบเปล่าเปลียววิเวกแต่ก็เป็นสถานที่อันสวยงามรื่นรมเป็นที่สุดสถานที่นี้ดารินคลับคล้ายคลับคลา ว, ว่าจะเคยได้เห็นมาก่อนแล้วในทันทีที่จ้องไปพบกับภาพอันปรากฏอยู่ในคลองจักสุขบางที บางทีอาจจะเคยพบเห็นมาก่อนแล้วในความฝันและกระมังประสาทส่วนลึกเตือนสัญญาณบอกเช่นนั้นนายหญิงคะนิลยาได้รับคำสั่งให้นำนายหญิงมาส่งเพียงแค่นี้สาลาปริชาติมองเห็นอยู่นั่นแล้วล่ะคะ่ะนางกำนันสาวน้อยผู้นำทางของหล่อนกระซิบขึ้น โดยไม่ได้เปลี่ยนสายตาไปจากการจับจ้องไปยังเป้าหมายนั้นเลยดารินพยักหน้าบอกมาว่าขอบใจมากนะนิลยาเธอไม่ต้องตามฉันมาหรอกถ้าหากไม่มีคำสั่งให้เธอเข้าไปยังศาลาปริชาติพร้อมกับฉันด้วยนอกจากให้นำมาส่งเพียงอย่างเดียวนิลยาย่อตัวลงเหมือนจะเป็นการคํานับ แล้วปรีกกายถอยห่างออกมามีอาการลังเลอยู่นิดหนึ่งนายหญิงไม่กลัวอะไรไม่ใช่หรือเจ้าคะดาเรงยิ้มบางๆสูดลมหายใจลึกพร้อมกับสั่นสีสะน้อยๆไม่หรอกนิลยาไม่มีอะไรที่ฉันจะต้องกลัวในทุกโลกทุกภูมิ แค่จะกลัวก็อย่างเดียวเท่านั้นกลัวว่าชีวิตนี้จะสิ้นสุดลงซะก่อนที่จะติดตามหาคนที่ฉันรักได้ทันแต่พรุ่งนี้แหละสินะพรุ่งนี้สิฉันก็ควรจะได้พบเขาแล้วถ้าหากว่าเมยานีไม่ปดฉันเอาละ่ะเธอกลับไปได้แล้วฉันไม่ต้องการให้เธอต้องทําอะไรที่ขัดต่อพระราชเจสวนีของราชินีของเธอหรอกฉันเชื่อ ว่าที่นี่จะไม่มีอันตรายใดๆสำหรับฉันเมญานีอาจจะมาประทับรอคอยฉันอยู่ที่ใดที่หนึ่งบนนั้นแล้วก็ได้หรือว่าถ้าฉันเป็นฝ่ายมาถึงก่อนฉันก็จะรอคอยเจ้าคะนายหญิงขอให้สิวเทพจงประทานพรให้แก่นายหญิงนะเจ้าคะนิรยากล่าวมาเป็นประโยคสุดท้าย แล้วก็เดินผละจากหล่อนกลับไปในทิศทางเดิมที่ได้นำมาบัดนี้ดารินวราฤทธิ์ยืนอยู่ณที่นั้นตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวกลางแสงจันทร์กลิ่นดอกไม้บางชนิดยามราตรีการยิ่งโชยหอมตลบอบอวนไปหมดหล่อนจะยืนนิ่งอยู่ณที่นี้นานสักเท่าใดไม่ทราบ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 ร่วงพรูมากระทบผิวกายอยู่เป็นระยะระยะค้างอยู่บนเส้นผมหัวไหล่แล้วบ้างก็กระทบแล้วกลิ้งหล่นลงไปกับพื้นที่แทบเทา้าในส่วนลึกของประสาทสัมผัสดูเหมือนจะแวววเสียงฝีเท้าม้าสึกที่เพนโผลย่ำตะลุยเสียงโหร้อง เสียงบัญชาการแล้วก็เสียงอาวุธกระทบกันแทรกลํำลึกมาจากสับพะสําเนียงอันคล้าวคระปะปนกันอย่างแยกไม่ออกนี้มีเสียงตะโกนกูเรียกน้ำจิตร้างคนางจิตร้างคนางสะท้อนกล้องบางครั้งก็แววเหบโหยห่างไกลออกไป หล่อนจำได้จำได้นั่นเป็นเสียงของอัคนีรุษเสียงร้องตะโกนเรียกน้ำของหล่อนเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างที่หล่อนขว้วม้าพระจากเขากลับคืนไปสู่กองทัพของฝ่ายนิทรานครภายหลังที่ได้ป่าหอกไปปักอยู่ยังพื้นตรงหน้าเขาพร้อมทั้งถ้อยคำสาบานตัดพ้อด้วยใจรักระคนแทนว่า จะไม่มีวันได้พบกันอีกแล้วไม่ว่าจะอีกกี่สิบชาติและราตรีนั้นก็เป็นราตรีสุดท้ายของชนชีพแห่งมกุฎราชกุมารีกิตรางคนานโดยการดื่มน้ำพิษประหารตัวตนเองผลหลักกรรมต่อเนื่องแต่ปางบัรย้อนลึกลงไปในอดีตไกลโพ้น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 แม่จะรู้อยู่ดีว่าเธอเป็นฝ่ายดิ้นรนค้นหาติดตามแต่เธอก็ไม่มีวันตามฉันได้ทันเลยมาชาติพบนี้ฉันสำนึกแล้วที่ไม่อาจจะดื้อดึงถือทิฏฐิพละหนีจากเธอต่อไปได้อีกฉันจึงเป็นฝ่ายติดตามค้นหาเธอบ้างแล้วฉันจะไถ่โทษไถ่าบาป ย้อนกลับมาไขคว้าหาตัวเธอได้พบหรือไม่อกคันิรุษขณะจิตต่อมาดารินพยายามสะบัดหน้าไล่ความมึนงงพยายามเรียกร้องความสำนึกให้กลับคืนมาสู่สติสัมปชัญญะซึ่งในขณะนี้อยู่ในภาวะกึ่งตื่นกึ่งฝันสาวเทาว้าช้ า, ชา เดินตรงเข้าไปยังศาลาปาริชาติที่มองเห็นเด่นชัดอยู่ในแสงจันนั้นตามลำพังคนเดียวปราศจากความกริ่งเกรงวันไหวพรั่งปรึงใดๆทั้งสิน้นท่ามกลางความเปล่าเปลี่ยวของสถานที่อันครอบคลุมอยู่ในขณะนี้เมยานีคงจะรอคอยหล่อนอยู่แล้วณนะที่ใดที่หนึ่ง บนศาลาปาริชาตแห่งนั้นหรือมิฉะนั้นถลนเป็นฝ่ายมาถึงก่อนก็จะตัดสินใจรออยู่ที่นั่นสภาพพบปากมันคงจะเป็นไปในลักษณะซ่อนเร้นแอบแฝงเป็นความลับที่สุดซึ่งหลอนเชื่อว่าเมยานีต้องการเช่นนั้นเคลื่อนใกล้เข้ามาตามลำดับ ตามแนวถนนที่สองฝั่งทางประดับไปด้วยซุ้มดอกไม้บานสะพรั่งแสงเดือนยิ่งกระจ่างสดใสมองเห็นอะไรได้จะแจ้งตาพอสมควรในระยะที่ไม่ห่างออกไปนะักดาวรุ่งเปล่งแสงวาวามสุกสกาวอยู่ทางด้านฟากฟ้าประดุดดวงตาสวรรค์ที่ทอดจับมองมายังหล่อนในขณะนี้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 ตามในมุมที่กำลังก้าวเหยียบขึ้นบันไดรูปวงกลมรอบฐานอันมีอยู่นับกว่าสิบขั้นกว้างใหญ่นี้สายตาก็กวาดจับขึ้นไปบนบริเวณลานหินด้านบนดารินมองไม่เห็นวี่แวววาราชินีแห่งมรกฎนครหรือคนของนางคนใดจะปรากฏตนอยู่บนนั้นเลยศาลาปริชาติ ปราศจากชีวิตใดๆทั้งสิ้นมันเปรี้ยวปลอดิจนหัวใจของดารินรู้สึกว่าวิวอ้างวางแต่ก็ไม่มีระบัดกลิ่นไอแห่งโพยภัยใดจะโชยมาสัมผัสกับประสาทสัมผัสของหลอนแม้แต่น้อยนิดนี้สถานที่แห่งนี้นกะการเวลานี้ น่าจะเป็นที่ปลอดโปรงพักใจได้ดีที่สุดสำหรับหลอนจากความสวยสดรื่นรมและบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เหมือนแมนสวงอีกเพียงแค่สองเก้าจะถึงพื้นหินอันราบเรียบด้านบนของแท่นวงกลมกว้างใหญ่นั้นดารินก็ต้องหยุดชะงัก กลางแสงจันลำยองบนพื้นฝั่งด้านตรงข้ามกัที่ลลนกําลังจะเข้ามาชิดกับเสาหินใหญ่ต้นหนึ่งร่างหนึ่งยืนในลักษณะกอดอกพิงอยู่กับเสาหินต้นนั้นหันหน้าออกไปยังอุทยานด้านล่างของอีกด้านหันส่วนหลังให้กัททล ระยะมันห่างออกไปเพียงไม่เกินส1บ2อดสิบสองเมตรเท่านั้นจากตำแหน่งที่หลอนกำลังหยุดชะงักกึกอยู่ในขณะนี้หญิงสาวจ้องเขมิงตาของหลอนไม่ได้เกิดเป็นภาพหลอนอย่างแน่นอนเพราะภายหลังจากที่ซอยเปลือกตาทีทีอยู่หลายครั้งและพยายามเบิกจ้องพินิจกันอย่างแท้จริง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 ดารินวราฤทธิ์หยุดลมหายใจในขณะนี้ลงชั่วขณะในสภาพตะลึงจ้องตาค้างหล่อนมีอาการเหมือนจะชอ็อกร่างนั้นคงยืนนิ่งเฉยหันหลังให้แกหล่อนอยู่ในลักษณะเดิมดุดไม่สำนึกยินยตนหรือสำเนียกได้ว่าบัตรนี้เบื้องหลังห่างออกไปไม่มากนะ มีใครคนหนึ่งกำลังจ้องมองอยู่แทบดวงตาปะัะตุพร้อมด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะบรรยายออกมาได้ถูกดารินยกมือขึ้นกลุมหัวใจโดยไม่รู้สึกตัวถูกแล้วใจของหล่อนยามนี้เป็นเหมือนจะหลุดออกมาจากรวงอกรู้สึกมีอาการวิงเวียนเหมือนจะเป็นลมหมดสติ ขณะนี้หลอนกำลังมองเห็นอะไรอยู่ภาพวิญญาณของเขาผู้นั้นมาสำแดงกายให้ปรากฏอย่างนั้นหรือหลอนอยากจะกรีดร้องเรียกน้ำของเขาออกมาแต่คุณพระช่วยลําคอขณะนี้ตีตันไปหมดแม้แต่จะขยับหรือจะหายใจก็ยังทำไม่ได้ตะลึง ยังนั่งอยู่ในสภาพนั้นเป็นเวลานานหลับตาลงแล้วคิดว่าถ้าเปิดตาขึ้นอีกครั้งหากหลอนวาดภาพนี้ขึ้นมาเองก็ขอให้ภาพของเขาผู้นี้จงอันตรธานไปซะแต่ถ้าว่าเมื่อค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นอีกครั้งไม่ว่าจากอาการรี ก, ก่อนในครั้งแรก แล้วค่อยๆเบิกกว้างจนเต็มม่านตาทั้งสองข้างภาพนั้นก็หาได้สลายเปลี่ยนแปลงไปไม่ร่างที่เห็นยังคงยืนพิงเสาหินอยู่ตรงหน้าใกล้ๆแค่นี้เองถ้าแม้ว่าเป็นภาพปรากฏการ์ของวิญญาณของเจตพูดก็จะเป็นสิ่งที่แรงกล้าที่สุดเพราะไม่ยอมแปรเปลี่ยนสลายไป ท่ามกลางความสว่างอัมภัยของดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่กลางฟ้าข น, านักนี้เลือบต่ำลงไปยังพื้นหินเบื้องล่างที่เห็นร่างนั้นปักหลักยืนอยู่หลอนมองเห็นเงาทอดลงมาปรากฏกับพื้นภาพของวิญญาณหรือเจตพูดหรืออาการอันเป็นภาพหลอนตาฝ่าด จะต้องไม่ปรากฏพร้อมกันทั้งร่างกายและเงาบังแสงเช่นนี้